พรราหุลเป็นพุทธชิโนรถองค์เดียวของพระบรมศาสดาพระนางพิมพาหรือยะโสธราเป็นพระมารดาเมื่อพระราหุลประสูตเพียงวันเดียวพระราชบิดาก็เสด็จออกมหาพิเนิกลมมุ่งพระโพธิญาณพระราหุลเจริญเติบโตขึ้นด้วยการถนอมเลี้ยงของพระมารดาและพระประยุรย่าต์มิได้เคยเห็นสมเด็จพระราชบิดาเลยจนกระทั่งพระชนมายุเจ็พศา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 ทรงดําริชนีแล้วจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบรรพชาสัมมเนีนแก่พระราหุลจัดเป็นสัมมเนีนรูปแรกในศาสนานี้เมื่อบรรพชาเป็นสัมมเนีนแล้วก็มิได้มีทิฏฐิมานะว่าเราเป็นโอรสของพระาศาสดาผู้ทรงเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์แต่สัมมเนีนราหุลกลับเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนใกล้ต่อการศึกษาเคารพพระโอวาทของพระาศาสดาและคําตักเตือนสั่งสอนของพิสูจ์ทั้งหลาย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 อันเป็นที่ถ่ายพระบางคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุดเข้าไปยังวิมานพรมมิได้นึกรังเกียจแม้แต่น้อยตามปกติพระทวารพระวัจกุดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าปิสนิทอยู่เสมอมีพื้นเรียบร้อยอบด้วยเครื่องหอมประดับด้วยพวงมาลาอันหอมตามประทีปไว้ตลอดคืนสามเณรราหุนเข้าไปอาศัยอยู่ในพระวจกุดีนั้นเพราะเกรงใจพิสุทธทั้งหลาย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 สามเณรราหุนทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําแต่ไม่ได้ปรีบากพูดเลยว่าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องนี้รีบเก็บไม้กวาดและหยาบเยื่อแล้วไปให้พิสุทั้งหลายอดโทษว่าขอท่านทั้งหลายจงอดโทษให้ข้าพเจ้าดิเถิดสามเณรราหุนใคร่ต่อการศึกษาและเคารพต่อโอวาทถึงป่านนี้ก่อนอารุณ์รุ่งวันนั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยืนหน้าพระทวารพระวัชกุดี ทงกระแอมขึ้นสามเณรราหุนก็กระแอมรับพระศาสดาตรัสถามว่าใครนั่นข้าพระพุทธเจ้าราหุนพระเจ้าข่าราหุนทําไมมานอนอยู่นี่ไม่มีที่อื่นพักพระเจ้าค่าสามเณรราหุนทูลตอบเมื่อก่อนพิสูจนทั้งหลายสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติศิกขาบทแล้วพิสูุนทั้งหลายกลัวต้องอาบัต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 ตรัสถามพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าสารีบุตรท่านทราบหรือไม่ว่าสมเนรราหุนสัตธิวิหาริก ข, ของท่านนอนที่ไหนเมื่อคือนนี้ไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรทูลสารีบุตรเมื่อคือนนี้ราหุนนอนในพระเจริญดีของเราดูก่อนสารีบุตรเมื่อพวกเธอทอดทิ้งราหุนได้อย่างนี้เมื่อให้กุลบุตรเหล่าอื่นบวชจะทําอย่างไรกัน คนที่บวชในาศาสนาก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติศิกขาบทเพิ่มเติมว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพิสูจน์ทั้งหลายจงให้อนุปสัสมบัญนอนในสำนักของตนวันหนึ่งหรือสองวันในวันที่สามจึงให้หาที่อยู่เองภายนอกดังนี้เย็นวันนั้นพิสูจนทั้งหลายสนทนานในธรรมสภาสนเสริญคุณของสมณเณรราหุนว่า สามเณรราหุลเป็นผู้ใครต่อการศึกษาเมื่อพิสุทั้งหลายไม่ยอมให้นอนในสำนักของตนจะโต้เถียงคัดค้านสักคำเดียวก็ไม่ได้ว่าเราเป็นโอรสของพระโทศพลท่านเป็นใครท่านนั่นแหละจงออกไปให้พ้นจากศาสนานี้แต่ไปอาศัยอยู่ในภาวจาัรุดีของพระผู้มีพระภาคสามเณรราหุลมีคุณน่าอัศจรรย์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 นครราชครึ่สมัยนั้นพระราหุลอยู่ที่ปราสาทชื่ออัมพลติกาเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปยังประสาทที่พระราหุลอยู่พระราหุลได้เห็นพระตถาคตเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงรีบปูอาสนะและตั้งน้ำสําหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะแล้วทรงล้างพระบาทพระราหุลถวายบังคมพระพุทธองค์แล้ว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 เห็นพระเจ้าค่าดูกอนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็เป็นผู้ว่างเปล่าจากคุณความเป็นสมณะเหมือนกันดูกอนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาว่าทั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมอย่างอื่นด้วยนั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นแหละราหุลเธอพึงสำเหนียกศึกษาว่า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 และเป็นวิบากพึงทากรรมนั้นถ้าพลังพลาดกระทากรรมที่มีทุกเป็นวิบากลงไปก็พึงแสดงเปิดเผยต่อพระศาสดาหรือต่อเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนแล้วพึงสมรวมระวังต่อไปแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรรมที่ทำไปแล้วนั้นเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรเป็นวิบากก็พึงมีปิติปราโมท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 ดังนี้แล้วกลับจากที่นั้นนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่งพระสารีบุตรได้มาเห็นพระราหุนนั่งอยู่ณโคนไม้จึงบอกแนวทางว่าดูก่อนราหุนท่านจงเจริญอนาปานสติเถิดอนาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเวลาเย็น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 เมื่อบุคคลเห็นธาตุสีด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมเบื่อนายจิดย่อมคลายกำหนัดธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดไว้มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น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 จงเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนจงเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอารติคือความไม่ยินดีด้วยจงเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะคือความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งภายในจงเจริญอสุภะภาวนาเพื่อละราคะจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเพื่อละอสมิมาณะคือความถือตัวถือตนความทะนงตน ดูก่อนราหุนเธอจงเจริญอานาปนสติภาวนาเถิดเพราะอานาปนาสติที่บุคคลเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากอานาปนาสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากดูก่อนราหุนพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก็ดี นั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสัพพัญญะรู้ชัดว่าหายใจออกเข้ายาวหรือสั้นดูก่อนราหุลอนนาปนาสติที่บุคคลเจริญให้มากอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพระราหุลมีใจชื่นชมต่อพุทธภาสิตเป็นอันมาก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 ผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมได้รับสุขเป็นเครื่องตอบแทนจึงตั้งโลงทานบริจาคทานในบัณดิตทั้งสองนั้นผู้หนึ่งจะถามยาจกวณิพกผู้มาขอว่าต้องการสิ่งใดเมื่อยาจกวณิพกบอกวัตถุที่ตนต้องการแล้วจึงให้บัณดิตผู้นี้มีนามว่าอาคตะปะวกะส่วนบัณดิตอีกท่านหนึ่งมิได้ถามอย่างนั้นแต่ยาจกวณิพกถือภาชนะใดๆมา ก็จะให้ของจนเต็มภาชนะนั้นบัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอัคระปะวิกะเช้าวันหนึ่งสองสหายนั้นชวนกันไปอาบน้ํานอกบ้านขณะนั้นมีดาบดทผู้มีฤทธิ์มากสองท่านเพ้ามาจากหิมวันตประเทศเพื่อพิกขาจารย์เพ้ามาลงณบริเวณใกล้ที่สหายทั้งสองยืนอยู่ท่านทั้งสองเตรียมดาบดบทบริขารมีเปลือกน้ําเต้าเป็นต้นเพื่อเข้าไปในละแวกบ้าน สหายทั้งสองเห็นท่านแล้วเข้าไปนมัสการรับภาชนะเปลือกน้ำเต้าจากดาบทแล้วนำท่านทั้งสองไปสู่เรือนของตนของตนถวายขาชนียะโพชนียาหาอนอปรณีตแล้วขอร้องให้ดาบททั้งสองรับปฏิญญาว่าจะมารับภิกษาหารเป็นประจำณนะเรือนของตนในดาบททั้งสองนั้นดาบทตนหนึ่งมีปกติไปพักกลางวันที่นาขพิภพ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 ปราถนาใคร่ได้บังเกิดในพิภพแห่งนาคนั้นฝ่ายดาบทอีกท่านมีปกติไปพักกลางวันณนะดาวดึงพิพพสำรานเอริยาบทณนะเสรีส ก, กะวิมานอันว่างเปล่าจากเท พ, พบุตรและเทพธิดาดาบทนั้นได้เห็นทิพยสมบัติของเท้าส ก, กะจอมเทพแห่งดาวดึงแล้วเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนจึงกล่าวว่า ขอพบที่อยู่ของท่านจงเป็นประหนึ่งวิมานแห่งเท้าสกอรินเทวราเถิดดังนี้หนึ่งเนืองก้า บ, บดีจึงเรียนถามดาบทว่าท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่ากะไรดาบทิ้งเล่าให้ฟังว่าณนะดาวดึงทิ่พนั้นมีทิพยสมบัติอันน่ารื่นรมก้า บ, บดีจึงมีจิตผูกพันอยู่กับพี่พดาวดึงนั้นทำบุญกุศลตลอดชีวิต เมื่อสหายทั้งสองสิ้นชีพก็ไปบังเกิดในพิภพอันตนตั้งกิดไว้คืออาคตะปาวกะไปเกิดในนาคพิภพเป็นพระยาปทวินทระนาคราชส่วนอระปราวกะไปเกิดในภพดาวดึงเป็นเท้าส ก, กะจอมเทพนาคราชมองดูอัตภาพของตนแล้วให้บังเกิดความร้อนใจเป็นหนักหนาว่าดาบทผู้ที่เราเชื่อถือได้พรนานาคุณแห่งสมบัติในนาคพิภพ แต่อัตภาพอย่างนี้มิได้เป็นที่เจริญใจของเราเลยเป็นอัตภาพของสัตว์ผู้กระเสือกกระสนไปด้วยอกยิ่งคิดอย่างนี้ก็ยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนักขณะนั้นนางนากัญญาทั้งหลายมีกายอันประดับด้วยศัพทิภาลังการวิภูสิตาพรนต่างๆถือเครื่องทิพยดนตรีมดีสีตีเป่าขับกล่อมบำเรอพยาปทวินทะนาคราชนั้นพญานาคราชผู้มีฤทธ จึงละอัตภาพแห่งนาคแล้วเนืรืมิตรกายกลายเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยในขณะนั้นธรรมเนียมมีอยู่ว่าทุกๆ ก, กึงเดือนท้าวมหาราชทั้งสี่จะพากันไปเฝ้าท้าสกะเทวราชณดาวดึงพิภพพญาปทุมินทรานาคราชหนึ่งในท้าวมหาราชทั้งสี่จึงต้องขึ้นเฝ้าด้วยไปกับพญานาคราชคือท้าวเรูปักผู้เป็นใหญ่ในหมู่พวกนาคทั้งหลาย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 ปทุมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านจงหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและปรารถนาการเกิดในที่นี้เถิดเราทั้งสองจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันพระยาปถวินทระนาคราชทูลรับคำของท้าวสกริงเทวราชแล้วกลับมายังชมพูพิภพได้ทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพิสุสงเพื่อเสวยนภพิภพของตน ในวันรุ่งขึ้นพระปทุมุตระทศพลรับสั่งกับพระสุมณเถระผู้เป็นพุทธอุปถาของพระองค์ว่าบัดนี้จะไปบินธบาตณที่ไกลภิกษุปถิชนอย่าได้ตามเสด็จให้ตามไปได้เฉพาะพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมพิธาและอภิญญาสมาบัติเท่านั้นเมื่อได้เวลาอันควรสมเด็จพระปทุมุตระสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์พุทธบริวารก็เหาะขึ้นสู่เวหา พรยาปทวินทระนาคราชและนาคบริษัทก็พากันมาต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงท่ามกลางมหาสมุทรแล้วเสด็จพระดำเนินไปบนกระแสสิลพร้อมด้วยพิสุสง์พุทธบริวารพระยาปทวินทระนาคราชทอดทัศนาการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปถึงอุปเลวตตสามเณรผู้เป็นพุทธชิโนรสแล้วเกิดปรีดาปราโมทยิ่งนักดําริว่า อันพระพิสุสง่์สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เห็นปานนี้ยังไม่อัศจรรย์เท่าสัมมณีนุปรเรวตต์ซึ่งเป็นทารกน้อยเมื่อพระพิสุสง่์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งบนอาสนะของตนของตนในพิภพนาเรียบร้อยแล้วสัมมณีอุปรเรวตต์ได้ที่นั่งณเบื้อพระพักแห่งพระบรมศาสดาฝ่ายพระยาปถวินทระนาคราชเมื่อถวายอาหารก็เหลียวดูพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งและสามมณีอีกครั้งหนึ่งเสมอไป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 ที่ได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทำเชไหนหนอในอนาคตเราพึงได้เป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดํ่มฤตชันนี้แล้วจึงถวายมหาทานแด่พระาศาสดาและพิสุสง์ตลอดเจดวันแล้วตั้งปณิธานเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาจารว่าด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมที่ข้าพระองค์ทําแล้วนี้ขอจงอํานวยผลให้ข้าพระองค์ บังเกิดเป็นพระพุทธิชิโนโรสแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเช่นเดียวกับอุปะเรวัตสามเณรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรว่าจะได้เป็นพุทธโอรสแห่งพระสมมาาโคโดมบรมศาสดาในอนาคตพอถึงกึ่งเดือนพระยาปทุมินทรานาคราชก็ขึ้นไปเฝ้าเท้าสกะเท้า ส, ก, ก, ะาส ก, กะตรัสถามว่า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 จักได้มีความสุขความสำเร็จร่วมกันเ้าส ก, กะทรงเห็นชอบด้วยกับคำชักชวนของพระยาปัทวินทระนาคราชทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากและออกบวช ด, ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาของปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาเจวันแล้วทรงตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทั้งออกบวช ด, ด้วยศรัทธาพระาศาสดาทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเท้าส ก, กะเทวราชจากสำเร็จในาศาสนาของพระสัมมาโคดมเโรมศาสด า, ศ า, ศาท่านทั้งสองเมื่อสิ้นทีพแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นเวลานา น, านเป็นกับๆต่อมาในพุทธุกบาตกานี้คือในาศาสนาแห่งพระมหาสัมมาโคดม